รู้เวทนารู้สุขทุกข์พุทธพจน์ 1. เสวยสุขอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุข 2. เสวยทุกข์ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกข์ 3. เสวยความรู้สึกเฉยก็รู้ชัดว่าเราเสวยความรู้สึกเฉย 4. สเสวยสุขมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขมีเหยื่อล่อ 5. เสวยสุขไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขไม่มีเหยื่อล่อ 6. เสวยทุกมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกมีเหยื่อล่อเจเสวยทุกไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกไม่มีเหยื่อล่อ 8. เสวยความรู้สึกเฉยมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยความรู้สึกเฉยมีเหยื่อล่อ 9. เสวยความรู้สึกเฉยไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยความรู้สึกเฉยไม่มีเหยื่อลอลงมือปฏิบัตินับแต่เริ่มฝึกรู้ลมหายใจมาจนกระทั่งเห็นกายโดยความเป็นของศูนย์เราจะพบความจริงประการหนึ่ง คือจิตเราพละจากกายมาหาความรู้สึกภายในอยู่เรื่อยๆซึ่งทันทีที่จิตกลับมาเกาะความรู้สึกภายในความรู้สึกว่าเป็นเราก็จะปรากฏเต็มตัวขึ้นมาทันทีนั่นเพราะขาที่ตั้งของสติไม่รู้จะตั้งสติไวตรงไหนให้ฝึกไปตามลำดับดังนี้ 1. เมื่อเสพสุขก็รู้ว่าเสพสุข ความสุขคือความเบาสบายหรือชื่นกายชื่นใจอยู่กับสภาพหน้ายินดีเป็นพิเศษความสุขมีประโยชน์ตรงที่เอื้อให้เกิดสติง่ายแต่ก็มีโทษคือชวนให้หลงติดเหมือนจมปลักสุขที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหยื่อล่อแบบโลกโลกเรียกว่าสุขแบบมีอามิตรเช่นเห็นรูปสวยฟังเสียงเพราะหรือที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่น ได้ของขวัญสมปรารถนาเล่นเกมชนะอ่านหนังสือถูกใจหมกมุ่นกับความคิดเกี่ยวกับตัวตนอันน่าสนุกเป็นต้นเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพสุขประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความหลงโลกมีความติดใจวัตถุหรือความคิดอันเป็นเครื่องล่อจิตไม่เป็นอิสระในตนเองส่วนสุขที่เกิดจากการเจริญสติเรียกว่าสุขแบบไม่มีอามิตรเช่น เมื่อรู้ลมยาวก็เป็นสุขแบบสดชื่นเมื่อรู้อิรยาบทใหญ่น้อยจะเป็นสุขเพราะกายใจโปร่งเบาเมื่อเห็นว่ากายสกปรกจะเป็นสุขจากการระงับความกระสรับกระส่ายทางก า, มารมร์เมื่อเห็นว่ากายไม่มีภาวะบุคคลจะเป็นสุขจากการเลิกสำคัญผิดว่านี่เรานั่นเขาเมื่อเห็นว่ากายเป็นของศูนย์จะเป็นสุขจากอิสระ ไร้พันธะกับกายเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพสุขเหล่านี้อยู่ย่อมเกิดความปล่อยวางโลกเลิกติดใจวัตถุภายนอกแต่ยังอาจติดใจกับรสแห่งความว่างและความสว่างอันเยือกเย็นภายในได้อยู่ต่อเมื่อรู้ตัวว่าจิตกำลังเสพสุขเห็นชัดว่ารสสุขไม่เที่ยงเสพได้ระยะหนึ่งก็มีอันต้องเสื่อมลงไร้ความเป็นบุคคล จิตจึงเลิกติดใจเสียได้ 2. เมื่อเสพทุกขก็รู้ว่าเสพทุกความทุกข์คือความอึดอัดกดดันหรือระคายกายระคายใจอยู่กับสภาพแย่ๆความทุกขมีโทษตรงที่กดสติให้พร่าเลือนแต่ก็มีประโยชน์คือผลักให้อยากพ้นไปเสียทุกที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหยื่อล่อแบบลกโล ก, โลก เรียกว่าทุกข์แบบมีอา m ม t h เช่นเจอหน้าคนที่เกลียดกันได้ยินเสียงหนวกหูหรือที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นไม่ได้ของตามปรารถนาเล่นเกมแพ้ต้องทนอ่านหนังสือยากๆต้องรุ่นคิดถึงเรื่องหนัก อ, อกเป็นต้นเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพทุกข์ประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความดิ้นรน อยากหนีไปหาสิ่งอื่นที่ให้ความสบายกว่ากันจิตใจเร่าร้อนเรียกหาอิสรภาพไม่เลิกส่วนทุกข์ที่เป็นผลข้างเคียงจากการเจริญสติเรียกว่าทุกข์แบบไม่มีอามิตรเช่นไม่สามารถตั้งจิตเป็นสมาธิตามปรารถนาหรือกระทั่งเพียรเพื่อมรรคผลแล้วยังไม่เห็นวี่แววสําเร็จเสียทีไม่ทราบต้องทนรออีกนานเพียงใดเราจะพบว่า เมื่อจิตเสพทุกประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความอยากหนีสภาวะของตัวเองในขณะนั้นนั้นแต่เป็นความอยากพ้นอันเกิดจากแรงดันของกิเลสยังไม่ใช่ความใครพ้นด้วยปัญญาสังเกตจากที่อาจเกิดความท้อถอยใคร่เลิกเจริญสติไม่ใช่มีกำลังใจฮึกหานที่จะเจริญสติยิง่งยิ่งขึ้นต่อเมื่อรู้ตัวว่าจิตกาลังเสพทุกเห็นชัดว่ารถทุกไม่เที่ยง เสพได้ระยะหนึ่งก็เป็นอันต้องเสื่อมลงไร้ความเป็นบุคคลจิตจึงเลิกกระวนกระวายเสียได้ 3. เมื่อเสพความไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าเสพความไม่สุขไม่ทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยเฉยชินชินไม่สบายแต่ก็ไม่อึดอัดไม่ชวนให้ยินดียินร้ายกับภาวะเฉพาะหน้า นี่เป็นสภาพความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดแม้ไม่ทําอะไรเลยก็เกิดขึ้นได้หากเท่าทันว่าเมื่อใดจิตเริ่มหลงเข้ามาเสพความรู้สึกชนิดนี้ไม่ยอมแช่จมกับความรู้สึกชนิดนี้ก็แปลว่ามีโอกาสจเจริญสติได้แทบทั้งวันความเฉยเฉชินชินแบบมีอา m i t ์คือใช้ชีวิตอยู่กับโลกตามปกติเสพสมบัติที่กุ้นเคย จนไม่รู้สึกพิเศษอีกแล้วหรือแม้นั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยเฉยในหัวว่างปล่าจากความคิดนึกดีร้ายก็นับว่าใช่เราจะพบว่าเมื่อจิตเสพความรู้สึกประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความเฉยเหนื่อยไร้ความยินดียินร้ายอาจนําไปสู่ความเบือ่อและคิดหาสิ่งแปลกใหม่มาแทนที่ส่วนความเฉยเฉยชินชินแบบไม่มีอา mith เกิดจากการเจริญสติได้ระดับหนึ่งเป็นปกติไม่รู้สึกว่าก้าวหน้าหรือถอยหลังไม่อิ่มใจหรือใจแห้งเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพความรู้สึกประเภทนี้อยู่ย่อมเอียงไปทางเกียจคร้านขาดกำลังใจมุ่งมั่นเจริญสติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อเมื่อรู้ตัวว่าจิตกำลังเสพความรู้สึกเฉยเฉยชินชินเห็นชัดว่า ความเฉยเฉยชินชินไม่เที่ยงเศรษได้ระยะหนึ่งก็มีอันต้องเสื่อมไปไร้ความเป็นบุคคลอยู่ในความเฉยเฉยชินชินและในอาการเสพ จ, จิตจึงหลุดจากความเหนื่อยนายมาสู่ความกระตือรือร้อนเสียได้หลังจากฝึกรู้สุขทุกเฉยไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะให้ค่าความรู้สึกทั้งหลายเสมอกันตรงที่เป็นเพียงความรู้สึกเหมือนนกัน เกิดขึ้นวูบหนึ่งแล้วต้องดับลงแน่ๆไม่มีใครเกิดไม่มีใครดับไปด้วยเลยนอกจากนั้นคุณจะได้ข้อสรุปที่สำคัญสำหรับชีวิตคือคนเราไม่ได้สแสวงหาความสุขเพราะลึกๆรู้อยู่ว่ามันผ่านมาแล้วจะผ่านไปแต่คนเราสแสวงหาวิธีดับความกระวนกระวายใจต่างหากเพราะนั่นแหละคือสุขที่แท้ ที่จะอยู่ติดตัวตลอดไป